ตะ ว, วันออกก็รัเสเซียคุมอยู่ที่ตะ ว, วันตกอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสก็แบ่งกันคุมแต่อเมริกาเป็นพี่เบิม้มและก็เป็นเมืองที่ประหลาดดีตอนนี้ก็เพราะว่าตอนที่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 ฝ่า ย, ป, ายประชาธิปไตยไปครึ่งหนึ่งล้วก็เข้าใจว่าทีแรกก็คงจะร่วมกันบริหารร่วมกันบริหารแต่ไปบบมามันพอมันมีเรื่องขัดแย้งกันระหว่างอเมริกากับรัสเซียแต่ก่อนอเมริกากละรัสเซียนี่มันเป็นเพื่อนร่วมสงครามกันเพื่อนร่วมรบ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 ก็พยายามโฆษณาชวนเชื่อว่าทุนยมฝ่าย ป, ประชาธิปไตยมันเป็นนรกมันไม่เจริญเท่าของเราแต่ทางนี้ก็พยายามกันไม่ให้คนนี้ออกไปทีแล้วก็ใช้รวดหนามใช้รวดหนามกันเลยนะเมืองเมืองเบอร์ลินนี่มันเรียก ทางถ้าแบ่งซีนี่ก็มันก็กว้างหลายสิบกิโลนะยาวหลายสิบกิโลผมแดนรองฝ่ายตวนออกกับตวนตกมันยาวหลายสิบกิโลคงจะรวมแล้วก็เกือบร้อยนะโหที่แรกก็ใช้รถน้าก็ไม่สำเร็จนะคนก็ยังหาทางหนีตอนหลังก็เลยสร้างกำแพงซะเลย กำแพงสูงไม่ส Memorial> ิบเมตรเอามาก่ะเอามาเอามาเอามาประกกกันกำแพงมันเป็นเป็นบล็อกบล็อกเลยนะกำแพงเป็นบล็อกบอกสร้างมันมันมันสร้างได้เร็วเพราะเอามาต่อตอต่อต่อต่อต่อต่อกันไม่ใช่เอาเอาอิฐมาค่อยมาเรียงเป็นทีละก้อนทีละก้อนยิ่งเสียเวลาช้าก็ทําเป็นบล็อกบล็อกเลยแล้วก็มาต่อตอต่อตอต่อกัน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 ไอ้ก็แบ่งเขตแดนระหว่างตัวเอาตัวตนนี่มันก็แปลกนะคือมไม่ใช่เอาไม่ไม่ใช่เอาถนนเป็นตัวเป็นตัวแบ่งเท่านั้นนะบางช่วงนี่ก็ต้องใช้บางช่วงนี่มันไม่มีถนนนะก็ต้องใช้ตึกตึกเนี่ยเป็นของคอมมิวนิสต์แต่ว่าถนนหน้าตึกนี่เป็นของเป็นของประชาธิปไตยไอ้ตรงนั้นมันสร้างกำแพงไม่ได้ นคนที่อยู่ในตึกเนี่ยพอเขารู้ว่าต่อไปจะห้ามออกเนี่ยเขาก็เริ่มหนีแล้วพิธีหนีก็คือปีนลงมาจากเดินมาจากประตูบ้างแล้วปีนลงมาจากหน้าต่างบ้างแล้วทีแรกก็ห้ามนะปิดประตูขังเลยนะห้ามออกคนก็ปีนมาทางหน้าต่างโดดลงมาทางหน้าต่างนะ พอท่านโดดรมาจากหน้าต่างมาถึงถนนเนี่ยถนนก็เป็นฝ่ายตอนตนฝ่ายตันตกแล้วคขาไม่ทำอะไรไม่ได้ต่อหลังก็ทำยังไงก็ปิดหน้าต่างเลยนะเอาประตูเอาไม่เอาเอ า, เอาอิดมาก่อปิดหน้าต่างปิดตายเลยปิดปุดหน้าต่างเอาไว้ไม่ให้ออกก็ดูเป็นภาพที่อ่าอุจจาระมากเลย ตึกทั้งตึกนี้ไม่มีหน้าต่างเลยถ้าตอหลังก็ต้องย้ายคนออกจากตึกนั้นเพราะว่าคนก็ต้องหาทางหนีออกมาจนได้คนพยายามหนีก็ห้ามไม่ได้ก็ตอหลังประกาศเลยจะยิงนะใครหนีมีสิทธตายเนพะะคนก็ยังหนีอยู่เรื่อยๆมีวิธีการนแีแปลกๆ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 มันก็จะเป็นเป็นเลียมๆนะคนก็สามารถจะจับยึดได้แล้วก็ปีงขึ้นไปคำนี้ก็อุตสาหเหลือเกินนะเอาเอาท่อเนี่ยท่อเอาท่อที่เป็นท่อซีมเมนต์เนี่ยมามาประกบเอาไวใ้ให้มันกลมยึดลำบาก คนก็พยายามนั่นแหละตอนหลังก็เลยต้องต้องทำเป็นต้อง ม, ม, มีลวดน้ำกั้นอีกทีคือระยะทางระหว่างถนนไปกำแพงเนี่ยมันก็จะมีเครื่องกีดขวางเยอะแยะไปหมดเลยเป็นระยะทางประมาณห้าสิบเมตรร้อยเมตร ใครที่เข้าไปใก ล, เล้เบรือนนั้นก็มีสิยถูกยิงตายได้เพราะสันนิถามว่าจะพยายามหลบหนีแต่ก็ยังมีคนหนีไปเรื่อยๆนะบางทีใช้เครื่องร่อนนะศึกษาปฏิเครื่องล่อนเพื่อจะให้บินข้ามกำแพงก็มีหรือว่าขุดขุดรูนะขุดอุโมงลอดใต้กำแพงก็มีคนทำ หรือว่าทำที่ทำที่ซ่อนคนเอาไว้ในในรถคือรถเนี่ยจากตะวันตกนี่มันเข้ามาทางตะวันออกได้ถ้าเป็นถ้าเป็นรถของนักการทูตนะมันมีข้อตกลงว่านักการทูตนี่เข้านอกออกไนได้เรานั้นนักการทูตเขาก็อาจจะมาเข้ามาในเขตตะวันออกขากลับก็ซ่อนคนเอาไว้ ในกระปงรดบ้างแล้วลถบางทีเล็กแค่ไหนก็ยังมีคนก็ยังซ่อนได้ต้องตรวจตาอย่างทียึบมีวิธีการสารพัดนะคนก็ยังหนีจนทั้งที่เสี่ยงตายตลอดเวลายี่สิบยี่สิบเจ็ดปีมั้งปีหกหนึ่งศูนย์สี่เริ่มสร้างกำแพงเบอร์เรียนปีศูนย์สี่จนถึงปีสามสองเนี่ย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 พอคนรู้คือแบบวันนี้ก็มีทั้งเรื่องอยู่สองอย่างคือจะปรากหรือว่าจะจะยอมสุดท้ายก็ยอมแล้วคนมันประท้วงเยอะมากคนประท้วงในเยอรมันตนอนนี้เป็ น, เ ป, นเป็นล้านก็เลยยอมให้เดินเดินออกไปเดินผ่านด่านไปได้โดยที่ไม่ตรวจละ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 เราไปเบอร์ลินก็มีจุดที่ให้ดูกำแพงเบอร์ลินเนี่ยไม่กี่จุดนะสามสี่จุดได้มั้งมีจุดหนึ่งยาวหน่อยยาวเป็นกิโลเลยเป็นบริเวณที่อยู่ชานเมืองตึกรามบ้านช่องก็ไม่ไม่มากอาคารพาณิชย์ก็ไม่เยอะก็เลยสามารถจะอนุรักษ์ไว้ได้คนที่ไปเที่ยวเบอร์ลินก็ต้องไปดูกำแพงเนี่ย เหมือนกับเป็นสิ่งประหลาดแล้วก็เขาก็ทางรัฐบาลก็เชิญชวนให้คนเนี่ยศิลปินนี่มาวาดภาพที่กำแพงนั้นคือไหนไหนก็จะนุรักไว้แล้วก็ทำให้มันเป็นแกลเลอรี่แสดงภาพซะเลยแสดงภาพในที่โลง่งคกก็มีก็เชิญคนมาจากหลายประเทศนะ ก็มาว่าส่วนใหเป็นเรื่องของการเชิดชูเสรีภาพนะก็ว่ากันเต็มที่คนก็ไปดูภาพวาดนั้นอันนั้นก็แต่ไปดู่าคงจะไม่ไม่รู้เบื้องหลังนะว่ามันเป็นกำแพงที่แสึญญ่งความโหดร้ายของมนุษย์อย่างไรบ้าง มันเป็นกำแพงที่ขังที่ขังคนเนี่ยทั้งเมืองเลยเนะแล้วก็ในกำแพงนั้นก็เหมือนกับคุกเนี่ยที่คนก็อยู่กันด้วยความหวาดกลัวอยู่ด้วยความหวาดระแวงระแวงซึ่งกันและกันด้วยนะเพราะว่าคอมมิวนิสต์นี่ก็พยายามที่จะยุยงให้คนเนี่ยมาเป็นสายให้กับรัฐบาล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 จนกระทั่งคนเนี่ยไว้ใจกันไม่ได้เลยแม้กระทั่งผัวเมียเพื่อรวงงานก็ไว้ใจไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นสายบ้างแล้วคนที่เป็นสายอย่างที่บอกเก็ไม่ได้ต้องการแรงจูงใจไม่ได้ต้องการเงินทองเลยแต่ต้องต้องการต้องการรักษาตัวเองเอาไว้เพราะถ้าเป็นสายแล้วมันก็เหมือนก็มีเหมือนกับหมาที่มีปลอกคอนะ มันก็มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ต่อหลังนี่ยมันมีการกล่าวหากันมากนะเกียรติใครก็กล่าวหาใครที่ถูกกล่าวหาก็สวยไปไม่รู้จะจะปกป้องตัว อ, อย่างไรเพราะฉะนั้นวิธีการที่ปกป้องตัวองคือว่าต้องเป็นฝ่ายกล่าวหาก่อนถ้าเราฝ่ายกล่าวหาเขาก่อนเนี่ย ก็ทำให้ฝ่ายถูกกล่าวหาเนี่ยเล่นงานเราไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเสียเขาเสียเขาเสียเครดิตแล้วมันก็เลยเกิดเกิดเกิดความเกิดพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นมากันทั้งกันทั้งเมืองหรือทั้งประเทศเลยนะไม่ใช่เฉพาะในเบอร์ลิ น, นในรัสเซียเลยคือต้องรีบกล่าวหาก่อน ไม่ชอบหน้าใครหรือว่าไปทำให้ใครไม่พอใจนี่ต้องวิธีที่จะปกป้องตัวเองคือไปกล่าวหาเขาก่อนบ่อยนั่นถูกกล่าวหาตารวจก็จะมาเล่นงานบางทีเมียก็กล่าวหาผัวผัว ก, กล่าวหาเมียมันก็เลยมันก็เป็นนรกแต่ไม่มีคนจำนวนหนึ่งที่ก็สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้ คนเหล่านี้นี่มันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผู้คนมันทนไม่ไหวทนอยู่ภายใต้การปกครองของมิวนิสต์มาก็ลุกคือขึ้นมาแต่ว่าลุกคือโดยที่ไม่ใช้ความรุนแรงนะก็เป็นการประท้วงอันนี้มันก็พระมีความเปลี่ยนแปลงในรัเสเซียด้วย mm. กบฏชอปเข้ามากบชอป mm. ก็เ น, นเรื่องให้มีปฏิรูป คนก็เริ่มได้ใจก็เริ่มแสดงความเห็นเริ่มที่จะแสดงความเห็นคัดค้านรัฐบาลเริ่มที่จะเรียกร้องต่อรัฐบาลาเช่นให้เปิดกำแพงให้เปิดด่านสุดท้ายกำแพงที่สร้างขึ้นมาแล้วก็มีอำนาจมหาศาลคำยันก็พังทลาย มันไม่สามารถจะกักผู้คนเอาไว้ได้เลยเพราะผู้คนที่เป็นเสรีชนไม่ได้ทําผิดอะไรที่ผู้คนก็เดี๋ยวนี้ก็ใครไปเบอร์ลิงก็ไปดูกําแพงแต่ไปดูแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ว่เขาจะมีความเข้าใจเบื้องหลังกําแพงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เนี่ย กำแพงที่บอกกำแพงนี่หายยากมากเอ ก, ก้อนหินเศษซากกำแพงก้อนเล็กๆเนี่ยก็ามาขายเป็นที่ระลึกรนะาคา ก, ก็แพงทีเดียวนะร้อยสองรอยนะมันไม่มีอะไรมันแค่เป็นเป็นซากกำแพงเล็กๆขนาดเท่าหัวแม่มือเนี่ยก็ขายได้ก็มีเพื่อนชาว เยอรมันนะเป็นเป็นคนคนขับรถให้แล้วก็ซื้อมาให้ <c oughs> เป็นเป็นสร้างกำแพงเล็กๆคนอยากได้เป็นที่ระลึกนะทั้งที่เบื้องหลังของกำแพงนี่มันก็เต็มไปด้วยเลือดและน้ำตาแต่ในแง่เนี่ยมันก็แสดงชัยชนะนะช้ยของประชาชนวันนี้สามารถเอาชนะประเด็ด ก, การได้ ไปอิสราเอลก็เจอกำแพงนะแต่กำแพงยีงไม่ทลายเป็นกำแพงสร้างใหม่เป็นกำแพงที่คอยเรียกว่ากำแพงยาวเป็นแนวที่ขวางเขตเวสต์แบง์เอาไว้ Bank เวสต์แบงก์แปลวฝั่งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนคืออิสราเอลเนี่ยเขา เมื่อประมาณปี2110นี่เขาทำสงคราม6วันนะกับประเทศมุสลิมนะจะเป็นมีทั้งซีเรียรทั้งจอร์แดนทั้งอียิปต์เรียกว่าสูตรเกือบร้อยแปดสิ180องศาหรือว่าสองรอเจ็ดิบองศาเลยเพราะมันก็อยู่ถูกรอมรอบด้วยประเทศเหล่านี้แล้วสองรยเจ็ดสิบองศาเนี่ย ยกเว้นส่วนที่เป็นทะเลมินิทะเลเนียนี่เป็นทะเลก็ไม่ต้องไปสู้กใครแต่ส่วนที่เป็นนอกนั้นนี่ก็จะต้องถูกร้อมรอบด้วยประเทศอประเทศอารับพุท น, นี้ก็ไม่พอใจไม่พอใจอิสราเอลก็พยายามจะส่งกองทัพมาถลม Israel, ่มอิสราเอลเมื่อห้าสิบปีที่แล้วอิสราเอลก็รู้ว่าต้องสู้แล้ว ก็เลยทําการเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนลงมือเริ่มลงมือก่อนถ้าลงมือทีหลังอาจจะไม่เหลือประเทศนะเขาก็เลยบุกนะบุกทั้งอียิปต์ทั้งรดแดานั่งซีเรียเราก็ได้พื้นที่มายึครองพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนเรื่อนั้ก็เป็น เป็นที่อยู่ของคนอาหรับเอ้อาหรับปาเลสไตน์พวกนี้ก็ไม่พอใจเนะียอิสาราเอลวันดีคืนดีถูกยึดครองไปซะแล้วนะเขาก็พยายามที่จะเล่นไงนอิสาราเอลก็มีการก่อการร้ายระเบิดพรีชีพอิสาราเอลก็ไม่รู้ทำยังไงก็เลยสร้างกำแพงล้อมสร้างกำแพงปิดซะเลยพนันธกันเลยเนะไม่ให้ไม่ให้ออกมาไม่ให ไม่ให้เข้ามาง่ายๆกํำแพงนี่ยาวเป็นร้อยๆกิโลเมตรเลยแล้วก็สูงกว่กากำแพงเบอร์ลินอีกอันนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อไม่ให้คนใ น, ค น, ค, นคนอิสลามในเวสต์แบงค์หรือปาเลสไตน์เนี่ยเข้ามาง่ายๆต้องผ่านด่านมีด่านอยู่ด่านมีด่านอยู่ไม่กี่ดา่านยั้ง จะเข้ามาก็ต้องมีใบอนุ ญ, ญาตเพื่อการไม่ให้พกพาระเบิดอาวุธเข้ามาดูเผงเถิงมันก็เหมือนกับว่าเป็นกำแพงที่ทําหน้าที่คนระเบียบกับ ก, กำแพงเบอร์ลินนะกำแพงเบอร์ลินนี่มันมันขังคนเอาไว้ส่วนกำแพงที่เวสต์แบงก์นี่มันกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาแต่ว่าไปบามามันก็กลายเป็นกำแพงขังคน ขังคนเอาไว้คนปาเลสไตน์เขาก็ไม่พอใจเพราะเขาคิดว่าเ ข, าา เ, ขาเป็นเจ้าของประเทศเขาอยู่มานานอิสราเอลนี่เพิ่งตั้งประเทศเมื่อหลังสงครามโลกที่สองคิดว่าคขาเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของแผ่นดินออกไม่ได้เขาก็ยิ่งไม่พอใจก็พยายามเนี่ยหาทางออกมากด้วยขุดรูขุดอุโมงค์สลรพัก มันก็มีเสียงต่อต้านเสียงประท้วงจากทั่วโลกมากไการสร้างกำแพงเนี่ยไปไปดูแล้วก็ก็สงสารนะว่า ม, มันก็ขังสร้างสร้างคุกขังคนปาเลสไตน์ในเวสแบงเรียกว่าทั้งแถบเลยทั้งจังหวัดเลยเวสแบงมัก็ประมาณประมาณจังหวัดหรือหลายจังหวัดรวมกัน ก็ช่ว ย, วยไม่สักวันไม่วันใดก็วันหนึ่งกำแพง น, นี้ก็ต้องพังทลายเพราะว่ามันไม่มีกำแพงไหนที่มันจะสามารถสกัดกั้นผู้คนได้เลยกำแพงเมืองจีนใหญ่แค่ไหนนี่ก็มันก็ไม่สามารถจะป้องกันคนได้เป็นความสูญป่ายเป็นความล้มเหลวมากกำแพงเมืองจีนเนี่นะ เขาก็ศึกษาภาษาเพราะว่ามันล้มเหลวมันป้องกันไม่ได้เลยเ็อย่างที่รู้กันน่ะจีนตอนหลังก็ถูกพวกแมนจู ย, ยึดครองจีนก็ดูพัฒดาการปกครองต่างชาตินี่มาหลายร้อยปีนะพวกมองโกก็เคยมายึดมาเป็นร้อยสองร้อยปีกําแพงเมืองจีนกันไม่ได้ต่อมาก็พวกแมนจูก็มายึดครองอีกประมาณสองสามร้อยปี กำแพงเมืองกีนมันใหญ่โตโมโหลายเท่าไหนก็ป้องกันไม่ได้กำแพงเบอร์ลิงก็พังไปแล้วต่อไปกำแพงที่เบสแบงกก็ต้องไม่นานก็คงต้องกลายเป็นซากปละวัติศาสตรคนเรานี่มันไม่ยอมถูกขังนะรดอเพราะา้าเป็นเสดีชนแล้วเนี่ยถ้าไปขังเอาไว้สกัดกัน่ะก็จะไม่ยอม การใช้กำแพงนี่มันไม่ไ ม, ไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนมาดูดูไปนะมันก็คนในการไปสกัดกั้นคนเนี่ยมันมันทำได้ยากมากเรามาที่จริงมามันก็โยงมาถึงเรื่องของใจคนเลยนะ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 มันเราจะไปควบคุมบังคับนี่มันยากแสนยากเหลือเกินใจคนเนี่ยแม้แต่ความคิดฟุ้งซ่านที่เราเรียกเป็นความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่รบ ก, กวนก็พยายามไปกดไปขม่มไปบังคับมัน ก็ไม่สำเร็จนะอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ก็เมือนคนนะคือมันรักอิสระมันรักเสรีจิตใจเรานี่มันก็เป็นจิตใจที่ไม่ชอบเป็นสิ่งที่ไม่ชอบให้อะไรมาควบคุมบังคับสกัดกัน้นเวลาเรา ภาวนาทำสมาธิเนี่ยเราก็อยากให้ใจสงบแต่ว่าใจมันก็ไม่ยอมนะยิ่งไปบังคับมันนะยิ่งไปล่ามันเอาไว้นะมันก็ยิ่งสู้ยิ่งยิ่งประท้วงยิ่งต่อต้านนะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะโน้มน้าวใจได้นะโน้มน้าวใจ สุดท้าว่าตอนร่อมใช้วิธีการที่นุ่มนวลกับใจของเราหรือว่าใชวา้วิธีการที่นุ่มนวลกับอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในใจรวมทั้งความคิดนึกต่างๆด้วยกดมันห้ามมันมันไม่ยอมมันสู้แต่ถ้าเพียงแค่รู้ทันมันนะ หรือว่าใช้วิธีที่นุมนวลนค่อยๆตะล่อมให้ใจนี้กลับมาอยู่เป็นที่เป็นทางเนี่ยทำได้เนี่ยการพยายามให้ใจมาอยู่กับกายเพื่อให้เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยถ้าเราไปใช้วิธีการบังคับมัน เช่นบงับงคับจะให้มันอยู่กับกายให้อยู่กับลมหายใจให้อยู่กับมือที่เคลื่อนไหวไปมานี่จะไม่ประสบความสาเร็จเท่าไหร่เพราะว่ามันจะสู้มันจะต้านแต่ว่าถ้าเราใช้วิธีการที่คล้ายๆชวนให้เขากลับมาอยู่กับกายให้เขาอยู่โดยสมัครใจ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 สติเรียกเข้ากลับมาใช้ความสึกตัวเนี่ยเรียกเข้ากลับมาไม่ใช่ไปบังคับว่าจิตห้ามฟุ้งห้ามห้ามท่องห้ามเที่ยวให้ใช้วิธีการที่อ่อนโยนนะกับความฟุ้งซ่านและอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเปรี้ยวความความความหงุดหงิดนะ ท่นน า, านติณฐานท่านใช้คําว่าเวลาให้ออกกอดนะความโกรธนะใช้อะไรอกกอดใช้สติน อ, อกกอดมันก็จะเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธนะอันนี้ก็เพื่อแค่ที่หลวงพ่อคาเขียนนะความโกรธนี่ไม่ต้องไปทําลายมันแค่เปลี่ยนนะ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 อาจจะไม่อาจจะเป็นเด็กกาพร้าแต่เขาได้ความรักจากผู้ดูแลาจากผู้ใหญ่ก็จะเปลี่ยนการเป็นคนที่น่ารักได้อย่างที่บ้านการยาพิเศษเนี่ยเด็กที่มาอยู่ในบ้านการยาพิเศษนี่ก็เด็กที่มีปอดโชคโชนัะ น, นะค่าคมคืนแต่อายุยังไม่ถึงยังไม่รู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็เลยเขาก็ไม่ส่งเข้าคุกนะก็มามาเข้าสถานที่ที่ชาวบ้านเรียกว่าดัดสันดานะ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 ก็ยิ่งเหียวยิงตานนะแต่ว่าใช้วิธีที่นุม่มนวลนะใช้สตินะสตินี่เป็นวิธีการที่นุม่มนวลนะท่านก็ทอานตินอาหารก็เลยเปลี่ยนว่าอกกอดนะไอ้ความโกรธเวลามีความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ทันมันนะไม่ต้องทำอะไรมันแค่ดูมันเฉยๆดูมันด้วยใจที่เป็นกลางหรือว่าจะ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 จึงเป็นอารมณ์อกุศลเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพไปหรือว่ามันหมดพิษสงไปไม่เป็นแค่เห็นมันนะเป็นแค่รู้หรือว่าดูมันเฉยๆก็ช่วยได้เยอะแล้วแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ว่า ให้อิสระ ก, กับใจนะในการที่มันจะทําอะไรก็ได้มันอยากจะอยู่กับกายก็ให้อยู่ด้วยความสมัครใจมันอยากจะไปก็ไม่ห้ามแต่ว่าก็จะก็จะชักชวนให้กลับมาให้กลับมาอยู่กับกายนะใช้สตินี่แหละนะเป็นตัวเรียกเป็นตัวชวนนะพอ พอมีสตินะจิตมันกกลับมาเป็นปกติอันนี้เป็นธรรมดาธรรมชาติ ใ, ในการภาวนาเนี่ยถ้าเราใช้วิธีการที่นุ่มนวลนะกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะมันก็จะช่วยทำให้ได้รับความร่วมมือนะจากใจใจก็จะค่อย สงบลงก็ค่อยกลับมาเป็นปกติแล้วกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพอใจที่ได้มาอยู่ยกับกายเห็นว่ากายเป็นบ้านนะกายกับใจก็เป็นอันหนึ่นองอันเดียวกันให้เราลองลองนะใช้ท่าทีแบบนี้ดูนะกับทุกอารมณ์ตาที่เกิดขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบ ในี่มันก็ไปใช้กับคนที่อยู่รอบข้างได้ด้วยใจกับเพื่อนบ้านใจกับเพื่อนรุ่ม ง, งานคนที่ไม่น่ารักคนที่น่ารอานนี่ก็สามารถจะเปลี่ยนได้ถ้าว่าใช้วิธีการที่นุ่มนวลกับเขาอ่ะทาในี้คือทางนุ่น